นี่คือรายการธรรมรัฐรุณทางสถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีแม่ข่ายกระจายเสียงจากทางกรุงเทพมหานครไปยังเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในทุกจังหวัดทุวประเทศรวมถึงเครือข่ายในคลื่นสั้นในต่างประเทศหรือถ้าท่านผู้ฟังรับฟังอยู่ทางอินเทอร์เน็ตเป็นการฟังผ่านทางสื่อต่างๆก็ตาม รายการของทางสานีวิทยุประชายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกๆวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยในบางสัปดาห์ในบางวาระวางโอกาสก็จะมีโอกาสพิเศษอย่างเช่นในเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเหตุการณ์นี้นนคือการประสูติตรัสรู้และประนีผังของริชจ้าทั้งเดือนเราก็จะมีการเสริมฉรองหรือมีรายการพิเศษอย่างนี้บ้างซึ่งในวันนี้ อาตมาพระไพบูร์นภิปุนโนจากวัดป่าดอนไหนโศกก็จะมาเป็นผู้ที่แสดงธรรมไขข้อข้องใจรวมถึงประเด็นต่างๆที่จะได้ให้ท่านผู้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะและถ้าในการแสดงธรรมต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังมีความเห็นข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่ง ใ, ใดๆที่จะมาให้กับทางทีมงานของรายการธรรมรัตน ก็ให้ส่งกันเข้ามาได้อาจจะเป็นทางบริษณีก็ที่สถานีวิจุก็ใช้เสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ 104-0 จะเป็นบริษณียีบัตรหรือจดหมายก็แล้วแต่หรือว่าถ้าสะดวกทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ก็ไปที่ piotama com prd แล้วก็ให้ส่งข้อมูลต่างๆเข้ามาในที่นั้นก็ได้วันนี้เรื่องที่จะมาไล่ใฟังคุยให้ฟังก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาวาจาร์สมาวาจาร์ถ้าพูดกันง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือการพูดชอบนั่นเองการมีวาจาชอบสมาวาจาร์มีรายละเอียดที่เราได้เคยพูดขึ้นไปแล้วบ้างในรายการวันนี้ก็จะเอา แตสิ่งที่ยังไม่ได้พูดมาให้ฟังด้วยเป็นประเด็นต่างๆที่หลังจากได้ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็คิดว่ามีเรื่องที่สําคัญจึงจะมาสืาา่อสารใทราบอันดับแรกต้องเข้าใจถึงเรื่องของสมาวาจาก่อนว่าสมาวาจาหรือว่าวาจาชอบนี่หรือการปฏิบัติท่อชอบด้วยการใช้วาจาใช้ปากเรานี่แหละมีลักษณะยอย่างไร คือการสื่อสารด้วยวาจาคือสื่อสารด้วยปากนะพระพุทธเจ้าก็ บ, บัญญัติในลักษณะทั้งหมด4อย่างนะคือการสื่อสารใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะของทางสายกลางเนี่ยคุณจะพูดเรื่องอะไรก็ได้คุณจะพูดเรื่องไหนก็ได้คุณจะพูดกับใครก็แล้วแต่เถอะหรือจะพูดที่ไหนไม่เป็นไรหรอกแต่ขออย่ากให้มีการโอ้ อันแรกเรื่องของสมาวาจา ก, ก็คือการที่เว้นขาดจากการกล่าวเท็จนะคือมุสาวาตยังไงถึงเรียกว่ากล่าวเท็จบุคคลที่กล่าวเท็จก็คือว่ารู้บอกว่าไม่รู้ไม่รู้บอกว่ารู้เห็นบอกไม่เห็นไม่เห็นบอกว่าเห็นได้ยินบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินบอกว่าได้ยินอยลักษณะนี้คือเป็นผู้ที่ แกล้งกล่าวเพีให้ผิดต่อโลกเราละสิ่งนี้ซะพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นผู้ที่พูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์แล้วก็มั่นคงในคาพูดมีคำพูดที่ควรเชื่อถือได้องค์ประกอบอย่างที่2ของสัมมาวาจาร ก, ก็คือการพูดสอดเสียดการพูดสอดเสียดนี้ก็คือการที่เว้นขาดจากสิ่งนี้ซะหมายความว่าเว้นขาดจากการพูดยุยงให้แตกกัน ในบางที่อาจจะใช้คําว่าการพูดสับสอการพูดสอดเสียดการพูดสับสอการพูดยุยงให้แตกกันมีความหมายเดียวกันนั่นคือปีสุนวาาปิสุนวา่าหรือว่าคําพูดอสอดเสียดก็คือเว้นจากสิ่งนี้ซะไม่ทำนั่นก็หมายถึงการที่เราไม่เก็บข้อความไปบอกฝ่ายนู้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือไม่บอกฝ่ายนี้เพื่อให้แตกจากฝ่ายนูน้ดคือถ้าบอกกันแล้วก็จะแตกกันเนี่ยอย่าพูด แต่ว่าพูดในสิ่งที่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเปรียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพรียงกันอยู่นี่ให้พร้อมเพรียงกันยิ่งขึ้นให้เป็นคนที่พอใจในการพร้อมเปรียงยินดีในการพร้อมเปรี่ยงกล่าแต่วาจาที่ทําให้คนเนี่ยพร้อมเปรียงกันลักษณะนี้คือการกล่าววาจาที่ไม่ส่อเสียดอีกอย่างหนึ่งของเรื่องสมาวาจาก็คือการที่ไม่พูดคาหยาบ นะภาษาบาลีคําหยาบนี่คือพุทสวัสดิ์ไม่พูดคำหยาบก็คือไม่กล่าววาจาที่เป็นหยาบเป็นคําหยาบเว้นขาดจากการกล่าววาจาหยาบนะกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษนะัสน็อโสดคือมันน่าฟังนะเป็นคําที่ฟูใจเป็นคําสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใกล้ที่พอใจของมหาชนนะกล่าวแต่วาจาลักษณะนี้คือวาจาที่ไม่หยาบ อย่างที่4ก็คือเรื่องของการที่ไม่พูดเพ r เจอร์การพูดเพอร์เจอร์ก็คือสำปับเปล่าวาดไม่พูดลักษณะไหนเป็นคาพูดเพ r เจอร์คือการที่กล่าวอย่างไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงการพูดไม่เพอเจอร์ก็คือกล่าวแต่วาจาที่มีประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยนะกล่าวในเวลาอันสมควรกล่าวมีวาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์แล้วก็สมควรเก็บเวลาคำพูดเนี่ยมีที่มาที่ไปมีหลักฐานยืนยันได้มีเวลาสมควรทั้งในเรื่องของการเลิกแล้วก็การเริ่มอันนี้คือลักษณะของการไม่พูดเพิ่อเจอในเรื่องของสัมมาวาจาต้องเน้นย้ำให้ฟังอีกนิดหนึ่งว่าบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นแค่มีแค่4ี่เรื่องนี้แต่รายละเอียดของมันเนี่ย มีที่น่าศึกษาอย่างยิ่งอย่างกรณีของวาจาหยาบเนี่ยคือเรื่องของอพุทสวสัสดิวัจาหยาบเนี่ยพระเจ้าหมายถึงการที่กล่าววาจาที่ไม่มีโทษนะให้เกิดความรักความฝูใจนอกจากนี้การกล่าววาจาที่ไม่หยาบเนี่ยพระพุทธเจ้ายังรวมถึงการที่เป็นวาจาที่กระทบกระเทียบเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธิ นี่คือวาจาหยาบเพราะฉะนั้นวาจาที่กระทบกระเทียบเบียดเบียนอันไม่เป็นไปเพื่อสมาธิก็ถือว่าเป็นวาจาหยาบอย่างเช่นวาจาที่แหมห ว, วานปานน้ําผึ้งนะการใช้ภาษาในคําพูดน่สระสร้อนยะไม่มีคำที่เราเป็นภาษาพากุลรามกําแหงนะหรือคําด่าทออะไรที่เจ็บแส บ, แสบไม่มีแต่ว่าเป็นลักษณะคําพูดที่กระทบกระเทียบเบียดเบียนเป็นไปเพื่อสมาธิ เราอาจจะเห็นผู้ที่มีความสามารถแบบนี้บางคนนะที่ออกมาพูดอยู่คำพูดเนี่ยการใช้ภาษาเนี่ยแหมสุภาพมากแต่ความหมายนี่กระทบกระเทียบเบียดเบียนไม่เป็นไปเพื่อสมาธิฟังและจิตแตกเลยลักษณะนี้ก็เป็นวาจาหยาบนะการอีกการพูดวาจาการพูดวาจาหยาบการพูดวาจาส่อเสียดเบอร์เจอร์พูดเท็จเนี่ย พระเจ้าจึงเน้นที่เจตนาในเจตนามีเจตนาเว้นนะคือตั้งใจที่จะไม่พูดคําพูดแบบนี้ไม่ว่าการใช้ภาษาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เถิดอย่างคําว่ากูมึงซึ่งเป็นภาษาในสมัยพ่อขุนรามกําแหงนี่ก็เป็นคําสุภาพนะในสมัยภาษาพ่อขุนรามกําแหงดังนั้นถ้าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงของโลกไปเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามแต่ธรรมะเนี่ยใช้ได้ตลอดการ ดัง น, นั้นลักษณะวาจาที่กระทบกระเทียบเบียดเบียนไม่เป็ น, ป น, ปนไปเพื่อสมาธิมีเจตนาที่จะให้เข า, เ, าเห็นไปอีกอย่างหนึ่งก็เป็นวาจาที่โกหกดังนั้นเป็นวาจาที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาวาจาว่าะงั้นเถอะมิจฉาวาจาอาจจะเป็นในลักษณะของวาจาหยาบบ้างวาจาสอบเสียบ้างวาจาโกหกบ้างลักษณะนี้ซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ที่เจตนาคือจิตของเราถ้าเราไม่ได้มีเจตนาในการทาอย่างนั้น นะก็การใช้ภาษาในลักษณะไหนก็ตามการได้ข้อมูลไม่ถูกนะบางคนอาจจะได้ข้อมูลมาผิดตอนแรกตั้งใจที่จะทําอย่างนี้อพอไปสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วก็ต้องตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งนะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เขาเข้าใจผิดลักษณะนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของสมาวาราเรื่องของสมาวาราเนี่ยยัมีแง่มุมที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกยกตัวอย่างเช่นคนที่อยู่ในคุกคนคุก อาจจะทาผิดลักษณะใดัษณะหนึ่งเาในเรื่องของวาจาก็แล้วกันโกหกทำให้มาเข้าคุกหรือพูดไม่ดีทำให้มาเข้าคุกเนี่ยถ้าเขาอยู่คนเดียวนะในห้องขังคนเดียวไม่ได้พูดกับใครํามว่าเขาจะมีศีลไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไม่ได้ตั้งใจนะในการที่จะละเว้นจากการพูดโกหกหรือด่าคนอื่นอเอาพูดวาจาหยาบก็แล้วกั น, กนด่าคนอื่นให้เขาเจ็บเบแสบให้เขารู้สึก ไม่ดีแต่มันไม่มีคนพูดด้วยจะพูดกับกําแพงหรือจะพูดกับเตียงนอนหรือจะพูดกับฝาผนังไม่มีคนพูดด้วยแต่แต่ถ้าเมื่อไหร่มีคนผ่านมาพูดด้วยอาจจะเป็นคนคุกด้วยกันหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ในเรือนจําเขาจะพูดวาจาหยาบทันทีเขาจะพูดวาจาส่อเสียดทันทีจะพูดโกหกทันทีต่อให้เขาไม่พูดนั่งอยู่คนเดียวในคุกเขาก็เป็นคนไม่มีศีลนะเพราะเขาไม่มีเจตนาในการที่จะเว้นขาจากพวกนี้มีเจตนาในการทําพวกนี้อยู่ตลอดเวลา มีเจตนาในการทําสิ่งที่ไม่ดีแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทําแค่มีเจตนาที่ไม่ดีเท่านั้นแหละถือว่าคุณเนี่ยไม่มีศีลแล้วเนีไม่ได้ตั้งอยู่ในความเป็นปกติของมนุษย์ทั่วไปที่เขาจะเป็นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้หรือไม่ได้อย่างหนึ่งของให้ตั้งใจไว้ก่อนในการที่จะทำในซึ่งในวันนี้ในเรื่องของสมาวาจาก็จะชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเออเราจะตั้งใจยังไงที่จะทําสมาวาจาซึ่งในการนี้เนี่ยาทาง รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้จัดตั้งโครงการสัมมาวาจาขึ้นมาแต่ซึ่งใ น, ในตอนท้ายของรายการเนี่ยจะได้ให้ท่านฟังได้รับทราบข้อมูลว่าจะไปร่วมกับโครงการนี้ยังไงเราจะตั้งใจยังไงในการที่จะทําวาจาของเราเนี่ยให้มันดีแตนะ่เป็นเรื่องของการตั้งใจตัวนึงทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้จิตของเราเนี่ยตั้งใจไว้ก่อนพลาดพลัง้งพลั้งเผลอมันเป็นกันได้คนที่ยังมีกิเลสคนที่ยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่ให้ตั้งใจไว้ก่อน เพราะในแง่มุมของคนที่ติดอยู่ในคุกเนี่ยไม่ได้ปาก ย, ยังไม่ได้ขยับเสียงยังไม่ได้หลุดออกจากคอแต่แต่เขาก็ไม่มีศีลในเรื่องของอการการพูดโกหกหรือการพูดคําหยาบหรือแม้แต่การขโมย อ, อยู่ในคุกไม่ได้ขโมยไม่มีของให้ขโมยแต่ถ้าเมื่อไหร่ขโมยได้จะเอาของคนคุกด้วยกันก็เอาเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ตั้งจิตในการที่จ ะ, ะรักษาข้อนี้ในการชี้ ธ, ธรรมโดยเป็นปกติ เพ้นถึงแม้เขาจะยังไม่ลักของนั้นจะยังไม่เคลื่อนจากที่หรือยังไม่มีข้อผู้เสียหายก็ยังไม่มีศีลอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในมุมตรงนี้นิดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสัมมาวาจาเนี่ยเช่นการไม่พูดเพเื่อจะไม่พูดเบ็ดเบียนเพื่อนเป็นข้อปฏิบัติที่เพื่อนเนี่ยควรจะกระทำเรื่องของการพูดสอนเสียดนี่แหละจะทําให้มิแตกจากมิ เพราะนมิสเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนกั น, นไม่ควรพูดสอ่อเสียดซึ่งกันและกันอย่าเอาเรื่องคนอื่นไปพูดเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นไปพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังสมมุตินายดําทําสิ่งไม่ดีอยู่อย่างหนึง่งคุณเป็นเพื่อนกับนายดําเนี่ยอย่าเอาเรื่องไม่ดีของนายดำเนี่ยไปเล่าให้นายแดงฟังการกระทําอย่างนี้ของคุณนะจะเป็นการที่ทําให้ในายดํากับนายแดงนแตกกันเพราะเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยอย่าพูด คนที่เราจะเป็นเพื่อนดีกับนายดำได้จะเป็นเพื่อนดีกับนายแดงได้เยอย่าเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดให้เขาฟังแต่นี่เป็นข้อปฏิบัติของมิตรของเพื่อนที่จะทำกับเพื่อนนะคือไม่กล่าววาจาที่ยุยงให้แตกกันแล้วก็ยังเป็นลักษณะของการกล่าววาจาของผู้ที่เป็นคนดีในะภาษ า, าไทยบางคำหมายใช้คว่าสัตบุตคนดีเนี่ยจะไม่เอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาเปิดเผย แม้ไม่ถูกถามไม่ถูกถามนะก็ไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่ถ้าถูกถามพูดนิดเดียวนี่คือลักษณะของคนดีคนดีนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องดีๆของคนอื่นเนี่ยเอามาพูดไม่ต้องถามฉันก็พูดเรื่องดีของคนอื่นเอาเกียรติคุณของคนอื่นมาล่าเลือเกียรติคุณของอื่นมามาพูดแต่ถ้าถูกถามในรายละเอียดนะโอ้โหยิ่งจะบอกอย่างละเอียดตึกซึง ไม่ให้อ้อมค้อมหน่วงเหนียวนี่คือลักษณะของคนดีเราควรจะเป็นอย่างนั้นให้ฝึกเป็นคนอย่างนั้นแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีของตัวเองเนี่ยเอามาเปิดเผยแตนะเราทําความไม่ดีเอาไว้เราจะแก้ไขเราเอามาเปิดเผยไม่ต้องถูกคนอื่นถามเราก็เปิดเผยะนะอย่างกรณีของพระอย่างเงี้ยเราทําไม่ดีเนี่ยไปฆ่ามดฆ่ายุงทําผิดศีลเนี่ยเราต้องเอาความไม่ดีของเรามาเปิดเผยให้เพื่อนเราทรานรบนาั่นคือลักษณะของการปลงอาบัติ ถ้าเราโปรงอาบัตแล้วเนี่ยบอกความไม่ดีของเราให้คนอื่นทราบแล้วอันนี้ก็ตกไปนะเราก็แก้ไขใหม่แต่พระก็จะมีระบบการโปร่งอาบัติคือการเอาข้อไม่ดีของตัวเองเนี่ยมาเปิดเผยให้คนอื่นทราบแต่ถึงแม้ไม่ถูกถามก็ตามแต่ถ้าถูกถามโดยรายละเอียดก็บอกอย่างละเอียดไม่ปกปิดอ้อมคอมละนี่ลือคือลักษณะของคนดีอย่างที่3คนที่หรืออาัศ บ, บูรณ์อย่างที่4ในกรณีนี้ก็คือถ้าเรื่องของ ความดีของตัวเองเนี่ยไม่พูดถึงเงียบไปเลยไม่ถูกถามไม่ต้องพูดถึงจะถูกถามนะพูดนิดเดียวนี่คือลักษณะของคนดีเพราะฉะนั้นให้เราฝึกให้มีวาจาในลักษณะนี้แต่คนไม่ดีจะเป็นคนลักษณะไหนอธิบายให้ฟังก็ได้คนที่ไม่ดีเนี่ยเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเอามาพูดไม่ถูกถามก็พูดนะยิ่งถูกถามเนี่โอ้โหพูดยิ่งรายละเอียดอย่างมาก พูดยิ่งให้มันแย่ลงไปอีกนี่คือลักษณะคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ดียังมีอีกในเรื่องของวาจาเรื่องดีๆของคนอื่นเนี่ยไม่เคยพูดไม่พูดถึงแต่ถ้าถูกถามความดีของคนอื่นก็พูดนิดเดียวนี่คือลักษณะของคนไม่ดีคนไม่ดีเนี่ยหรืออาศัตบูรุษเนี่ยก็ยังมีลักษณะที่3คือว่าเวลาเรื่องดีๆของตัวเองเนี่ยโอ้ยเอามาเที่ยวโพธนา ทำอย่างนั้นไว้ทำอย่างนี้ไว้ทําความดีโ น, น, นู่นนี่ไม่ถูกถามนะเอามาพูดถูกถามนี่โอ้โหพูดยิ่งให้มันเห็นในเขาเรียกว่าพูดเกินความจริงไปเลยว่างั้นเถอะนี่คือลักษณะคนไม่ดีแต่ความไม่ดีของตัวเองเนี่ยไม่พูดถึงไม่ถูกถามไม่พูดเลยถึงแม้จะถูกถามก็พูดนิดเดียวความไม่ดีของตัวเองปกปิดเอาไว้ ส, สิ่งใดที่ถูกปกปิดเอาไว้เนี่ยมิจฉาทิฐิเนี่ยพุทธิจารบอกว่าถ้าถูกปกปิดเอาไว้เนี่ยยิ่งเจริญเพราะฉะนั้นไอ้ความเห็นที่ไม่ถูกสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถ้าถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยมันจะดับไปมันจะไม่ดีไปมันจะหายไปเพราะฉะนั้นในระบบของพระสงฆ์เนี่ยจึงมีการ ป, ปรองอาบาัติให้พระเนี่ยได้เอาความไม่ดีของตัวเองเนี่ยมาประกาศให้คนอื่นรู้มันจะดับไปเพราะฉะนั้ทนท่านผฟังก็เหมือนกันเราฝึกให้เป็นคนมีสัมมาวาจาได้เป็นคนดีได้ด้วยเรื่องของวาจาก็ในลักษณะนี้ เรื่องดีๆของกูดึนออกมาพูดเรื่องไม่ดีเงียบไว้ถูกถามก็พูดนิดเดียวความดีของตัวเองเ่ยพูดน้อยๆหน่อ ย, อยแต่ความไม่ดีของตัวเองเนี่ยเอามาเปิดเผยแล้วแก้ไขซะให้เป็นลำแสนยยงนี้เรื่องของสัมมาวาจานี่ในรายละเอียดของการพูดโกหกการพูดเพอเ้อเื่อการพูดคำหยาบนยในอัตถกถาาจารย์ท่านจะบัญญัติไว้อีกหลายอย่างแต่ถ้าเราดูแ ง, งม่มุม นะสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยซึ่งละเอียดลึกซึ่งรอบคอบเนี่ยเราก็จะทราบว่าอย่างคนที่อยู่ในคุกถึงแม้ว่าเขาใจยังไม่ได้มี เ, เสียงออกมาจากคอนะปากขยับเนี่ยเขาก็ไม่มีศสียงเขาก็ผิดสัมมาวาจาได้แต่ถ้าเขาตั้งจิตไว้ไม่ถูกเพระะ น, นเรื่องของสัมมาวาจารนี่คือเรื่องของสมาธิฐินั่เนเองพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าใครที่รู้ว่าอันนี้คือสัมมาวาจา น, นี่คือมิจฉาวาจารนะ์การ รู้ของเขาเนี่ยเป็นสมาธิิแต่บางคนนี่ไม่รู้เรื่องลอ ะ, อะไรพูดถูกพูดผิดอะไรก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้นั่นก็คือยังมีสมาธิิที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าอะไรคือสัมมาวาจาอะไรคือมิจฉาวาจานะความรู้ของเธอเนี่ยคือสมาธิมีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างบอกว่าถ้ามีคนมากล่าวตูแต่พระองค์ในลนักษณะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโดยที่ได้ข้อมูลไม่ถูก การกล่าวตูนั้นเนี่ย cola. อนอกจากจะเป็นมิจฉาวาจาแล an ้วยังเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยเพราะมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเห็นถูกต้องเรารู้ว่าอะไรเป็นสมาาัมมาวาจามิจฉาวาจาเนี่ยเราก็ถือว่ามีสมาธิิระดับหนึ่งล่ะแล้วคนที่มามีสตินะในการที่จะละมิจฉาวาจาทําสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมเนี่ยการมีสติอย่างเนี้ยเรียกว่าสัมมาสติด้วยแล้วคนที่ทำํำนะ ใส่ความเพียรลงไปตั้งจิตไว้เพื่อจะแก้ไขไม่ให้มีมิจฉาวาจาละเสียทําสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมการที่เขากระทําความเพียรอย่างเนี้ยมีความเพียรอย่างเนี้ยคือสัมมาวายามะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าทำสามอย่างเนี่ยตามมาแวดล้อมซึ่งสัมมาวาจาะนะแค่เราพูดดีอย่างเดียวท่านฟังพูดวาจาที่ดีๆเนี่ยพูดสัมมาวาจาเนี่ยคุณจะทำสามอย่างจะมาพร้อมกันเลยคือเรื่องของ สัมมาทิฏฐิก็มาสัมมาสติมาแน่นอนสัมมาวายามะก็มาด้วยเพลนถ้าเรามีแค่สัมมาวาจานะสอย่างมาร้อมกันหมดเพลนถ้าเราคิดจะด่าคนอื่นเนี่ยอย่าทำนะมันเป็นมิจฉาวาจาด่าแล้วเขาจะเจ็บเจบเสียเสียหาหายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกพระเจ้ายังพูดถึงการด่าบริภาทคนอื่นนนั้นด่า ว, ว่าคนอื่นด่าเสียเสียหาหายขึ้นเวทีดา่าหรือว่า ออกสื่อด่านี่คือด่าบริภาทเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ น, นติเตียนพระอริยเจ้าคือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นเนี่ยคือคนปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยอย่าไปว่าเขาอย่าไปด่าเขาคนไม่ดีเราก็อย่าพูดแล้วกันเพราะว่าคนที่พูดมากเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อสิ่ง5ประการนี้คือมีความเสี่ยงต่อการพูดหยาบพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อแล้วก็พูดส่อเสีย แล้วก็มีความเสี่ยงต่อการที่จะไปนรกกาเนิดเดรัจฉานปรตวิสัยแต่คนที่พูดพอประมาณเราเราให้พูดพอประมาณผูดพอประมาณก็จะไม่เสี่ยงในเรื่องของมิจฉาวาจาแล้วก็ไม่เสี่ยงในการที่จะไปนรกกาเนิดเด ร, าารัจฉานเปรตวิสัยแล้วคนที่ด่าว่าคนอื่นมากๆเนี่ยด่าบริภาทเพื่อนผู้ประพฤติประมาจนั่นะคือดา่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมติดเตียมพระอริยเจ้านั่นจะมีความเสี่ยงสิเอ็ดอย่างนี้นั่นะคือสัตรธรรมของผู้นั้นจะไม่ผ่องแผ้ว แล้วก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจว่าได้บรรลุในสัตยธรรมอย่างที่สก็คือจะเป็นผู้ที่ไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์การปฏิบัติธรรมการตั้งสมาธินี่จะไม่พอใจละ่ะอันอย่างที่4ี่ก็คือจะเป็นผู้ที่ต้องความผิดคืออาบัตเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึง่งตล้วอย่างที่5 ก, ก็คือจะเป็นผู้ที่บอกเลิกศีกขาเวียนมาเพื่อภาพต่ําคือลักษณะของการเลิกปฏิบัติเลิกธรรมเลิกประพฤติพรหมจรรย์นะศีขาลาเพศไป ถ้าเป็ครวญก็คือเลิกแล้การปฏิบัติทํามไม่เห็นดีเลยจะมีความเห็นอย่างนั้นหรือต่อมาก็อาจจะถูกต้องโรคอย่างน่ะคือป่วยป่วยอย่างหนักเลยหรืออาจจะถึงความเป็นบ้าคือความฟุ้งซ่านแห่งจิตเราก็ยังมีความเสี่ยงต่อการที่หลงไหลเวลาตายใกล้จะตายเนี่ยเป็นบุญหลงไหลคือจิตประสาทแล้วก็ถ้าตายไปเนี่ยย่อมเข้าถึงอบายทุกติมีบาตและนรก เพราะถ้าเราพูดไม่ดีด่าว่าคนที่โดยเฉพาอยงยิ่งคนที่ปฏิบัติธรรมติเตียนพระี่จะมีความเสี่ยงสิเออย่างนี้เพราะท่านอาจจะบอกว่าเอาแล้วคนที่ไม่ดีจริงๆเลยแหมคนนี้เนี่ยมันชั่วจริงๆเลยนะไม่ดีจริงๆเลยนะเราจะว่าเขาไหมเราควรจะด่าเขาจริงๆนะขอไว้สักคนหนึ่งไม่ได้หรออาจจะมีความเป็นอย่างนี้แต่ก็ต้องบอกว่าไม่ควรเลยเนื่อเพราะว่ า, เ, าเวลาที่เราจะกล่าวหาคนอื่นเนี่ย มันมีด้วยลักษณะ5อย่างนี้เท่านั้นนะกล่าวโดยการ ห, inal, ห, ร, able, หรือโดยไม่ใช่การกล่าวโดยเรื่องจริงหรือโดยไม่ใช่เรื่องจริงกล่าวโดยอ่อนหวานหรือโดยหยาบคายหรือว่ากล่าวโดยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์หรืออย่างที่5เนี่ยกล่าวด้วยจิตที่มีโทสะหรือมีไม่มีโทสะคือจิตที่มีเมตตาหรือจิทตจที่มีโทสะทั้นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราถึงแม้เราจะกล่าวถูกเวลานะท่านฟังกล่าวถูกเวลากล่าวเรื่องจริงกล่าวอย่างอ่อนหวานด้วยนะ พูดเนี่ยก็มีประโยชน์และมีจิตเมตตาในการกล่าวนะห้าอย่างนี้ดีหมดเลยนะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นการ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นวาจาที่กล่าวหาผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังเนี่ยแม้ถึงแม้คนที่เขาไม่ดีเนี่ยจะฟังคนที่ไม่ดีนะ่ฟังคนที่ไม่ดีเนี่ยฟังคำพูดที่ถูกถูกกาลเทศะเรื่องจริงเป็นคำอ่อนหวานเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ คนพูดก็มีจิตเมตตาแต่คนฟังเป็นคนไม่ดีนะเขาก็จะคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะกล่าววาจาที่ไม่ดีถึงก่อคนที่ไม่ดีก็ตามเราควรจะกล่าววาจาที่ดีสัมมาวาจาต่อทุกๆคนพระเจ้ายังบอกกับพระหมหาโมคลานะตอนนั้นพระหมหาโมคลานะเนี่ยยังยังไม่บรรลุเป็นพระอรรณ์กาลังทําความเพียรอยู่ที่บ้านกลาละวามุตตาค่ะ พระสูตรหนึ่งพระชา้าพูดยาวยๆมากเลยเรื่องของการแก้กอุบายในการแ ก, ก้ง่วงการที่ปฏิบัติอย่างไรต่อสกุลพระเจ้ามีประโยคหนึ่งพระชจ้าบอกอย่างนี้เพราะว่าบกคลณะเธอ พ, พึงทำศึกษาว่าเราจะไม่กล่าววาจาที่ทําให้ทุ่มเถียงกันเพราะว่าถ้ากล่าววาจาที่ทําให้ทุ่มเถียงกันแล้วเนี่ยจำต้องหวังการพูดมากแต่ถ้าพูดมากเนี่ยก็ต้องมีการคิดฟุง้งซ่านถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยก็ไม่สํารวม ถ้าไม่สัมรวมเนี่ยจิตก็จะเหินห่างจากสมาธิถ้าจิตเหินห่างจากสมาธิเนี่ยทำทั้งหลายก็ไม่ปรากฏ่จะเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ด้วยความประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะกล่าววาจาที่ทําให้ต้องทุ่มเถียงกันแต่ถ้าเราไม่กล่าววาจาที่ไม่ทุ่มเถียงกันแล้วก็ไม่ต้องพูดมากพอไม่พูดมากและสีก็ไม่ต้องฟุ้งซ่านจิตไม่ฟุ้งสซ่านก็เป็นจิตที่สัมรวมจิตที่สัมรวมเนี่ยสมาธิก็เกิดขึ้นได้ตั้งมันได้ จิตที่ตั้งมั่นได้มีสมาธิได้ก็เป็นจิตที่สามารถมีธรรมะเกิดขึ้นได้ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยฟังรายการนี้อยู่เนี่ยให้เป็นผู้ที่มีวาจาของสัตว์บรุษคือวาจาของคนดีนะไม่ด่าใครไม่ว่าใครถึงแม้เขาจะเป็นคนไม่ดีก็ตามเพราะถ้าเราดา่าเราว่าเขาเราก็จะเป็นคนไม่ดีเพราะเราไม่ด่าใครไม่ว่าใครหล่ะตนะ่เราก็พูดแต่เรื่องดีๆนะเรื่องดีของคุณเร า, าพูดนะเรื่องไม่ดีเราไม่ต้องพูดถึงนะให้เป็นคนที่มีสัมมาวาจา เราท่านผู้ฟังต้องการจะร่วมกับโครงการสมาวาจานะซึ่งในทางทางนี้กระทรวงวัฒ น, นธรรมก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นให้ท่านผู้ฟังมีส่วนร่วมได้นะโดยการไปที่เว็บไซต์ website, www betai org นะซึ่งเว็บไซต์นี้ก็จะส่วนร่วมให้ท่านผู้ฟังได้ลงชื่อนะโดยเป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ลงชื่อที่ไบโพหรือติดไว้ในเว็บไซต์นี้ หรือว่าถ้าท่านผู้ฟังต้องการจ ะ, ะมี Facebook ก็ไปที่ Facebook ได้แลวก็ที่ลิงก์นี้แหละไปที่ b t ไท .org หรือว่าถ้าท่านผู้ฟังไม่ได้ใช้คอมพิวเตอรต์จะไปที่ห้าง Big C ซตามหัวเมืองก็จะมีต้นโพต้นหนึ่งแล้วก็มีการเขียนายให้ติดไว้ต้นโพว่าเราจะเป็นผู้ที่ร่วมในการทำสมวาจาให้ตั้งจิตไว้อย่างนี้ หรือสําหรับองค์กรหน่วยงานใดจะเป็นราชการหรือเอกชนก็แล้วแต่ที่ต้องการร่วมโครงการนี้ก็สามารถให้มาดาวน์โหลดข้อมูลคือดาวน์โหลดใบโพพิมพ์ออกมาเอาให้พนัก ง, งานติดให้คนในหมู่บ้านเขียนร่วมโครงการเราต้องการทํำโครงการนี้ เ, เพื่อฉลอง84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้ 800,000-40,000 คนคือ 84,000 84,000 คนเนี่ยภายใน84วัน เพราะฉะนั้นใน84วันนี้เริ่มมาจากตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้มาร่วมกันในโครงการสมาวิจาซึ่งในโครงการนี้ก็จะมีก็เรียกว่าทูตโครงการนี้ก็ชื่อว่าชอบพูดต้องพูดชอบแต่ทูตของโครงการก็มีนักพูดทั้งหลายแหละจะเป็นผู้ที่ใช้วาจาในการที่จะประกอบอาชีพของตนอย่างเช่นคุณดะในจันเจ้าใชา้คุณวุฒิกรมลินทจินดาแอนดรูบิกส์ หรือว่าจะเป็นคุณกระลกพรหมิตรกูลคุณสาศินามิมุตานนแล้วก็คุณสาวินีคุณสุนิสาสุบุญสังแล้วก็คุณพรชิตานะสงขลาซึ่งทูตทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมี8คนแล้วทูตคนที่9ก็คือคนไทยทั้งประเทศถ้าผู้ฟังเนี่ยที่ฟังรายการนี้อยู่ต้องการจะร่วมมีสมาวารจาให้ตั้งจิตเอาไว้อย่างที่บอกนั่นแหละให้ตั้งจิตเอาไว้ในการที่จะพูดดี ทำได้ทำไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะเราค่อยศึกษาค่อยพัฒนาไปคนที่ยังมีกิเลสยังมีสติไม่สมบูรณ์เนี่ยอาจจะพูดผิดบ้างพูดถูกบ้างนะแต่ให้ตั้งจิตไว้ในการที่จะทำให้พร่วมกันในโครงการนี้ที่ www.bthai.org หรือว่าจะาไปที่ Big C ซต่อไปก็อาจจะมีลักษณะการส่งบริษิทเียาบัตก็ได้ถ้าท่านผู้ฟังยังไม่ได้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในวันนี้รายการธรรมรัตนะเรื่องของสมาวาจารก็ คิดว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบท่านผู้ฟังมีความเห็นข้อคิดเสนอแนะก็ อ, อย่างที่บอกนะส่งอีเมลมาก็ได้ส่งจดหมายก็ได้เราจะค่อยสื่อสารท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนเราค่อยมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้รายการธรรมรา บ, บรุนพบกับท่านผู้ฟังทุกวันเจริญพร